ข้ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงปู่พทธิยานในวันนี้ก็จะกล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่เน้นเท้าส ก, กะเทวราชเปลงกายเป็นมานกหนุ่มแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า พระหนุ่มนี้มีรูปงามยิ่งน่าดูนักน่าชมนักพราะหนุ่มนี้ของใครหนอเมื่อประชาชนเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ท้าวสากาเทวราชก็ได้กล่าวตอบประชาชนพวกนั้นด้วยคาถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นนักปราดทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ผ่องแพ้วหาผู้เปรียบไม่ได้ไกลจากกิเลส สเสด็จไปดีแล้วในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี่เป็นการแสดงถึงความชื่นชมยินดีของท้าวสกะดเทวราชที่มีต่อพระผู้มีพระภาคแล้วคุณที่ท่านกล่าวสรรเสริญในที่นี้ก็มีอีก 2-3 งสามประเด็นนะประเด็นแรกก็คือความเป็นนักปราชญ์ เป็นนักปราถแห่งปราดทั้งหลายนะครับเพราะว่านักปราทั่วไปก็ไม่สามารถจะทำกิเลสให้สงบได้บางท่านยังอาจจะมีความคิดความอ่านรุนแรงมีโมโหชุนเฉียวมีมานะคือตัวจัดขึ้นตนแต่นักปราคือพระพุทธเจ้านั้นมีความสงบเย็นมีปัญญาสว่างสวย สามารถขจัดวิชาเอาไปจากพระทัยได้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็ทรงฝึก C, อินทรีย์คำว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็หมายถึงอินทรีย์ห้าประการแต่ของพระพุทธเจ้านั้นก็ฝึกทั้งหมดนะเนยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอินทรีย์ห้าประการเนี่ยตามปกติแล้วเป็นธรรมปฏิบัติที่ยากจะทำให้สมบูรณ์ การแรกคือศรัทธาความเชื่อซึ่งจะต้องมีกำลังในการขจัดความไม่เชื่อขอจัดความเคร่ยดแกร่งสงสัยขจัดความโลภออกไปจากใจได้ตลอดถึงระดับหนึ่งก็ขจัดความโกรธได้หากว่าพลังศรัทธามีกำลังมากจริงๆ พระพุทธเจ้านั้นส่งสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือความเชื่อมัน่นสามารถปรรลือเสียนาฏประกาศธรรมจักถ้มกลางพุทธบริษัททั้งหลายและไม่หวั่นเกรงว่าใครจะคัดค้านพระองค์ในฐานะชีคือพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นอรหรันตสมาธิสมทุท t า a ธรรมระดับที่พระอระหรันตสมาธิรพุทธเจ้า จะสัจสรูแต่ว่าท่านไม่สัจสรูก็จะไม่กล้าปฏิญาณแต่พอได้ทรงสัจสรูธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สัจสรูจึงทรงกล้าปฏิญาณความเป็นพระอรหันตสมาธิพุทธเจ้าในมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่สองทรงประกาศสถานะเป็นพระอันตกคีณศสอา ส, สวะกิเลสที่ปะกีณาสุ ละได้แต่ว่าท่านละไม่ได้ก็จะไม่กล้าปฏิญาณแต่พอสรงละอาสวะกิเลสได้อย่างหมดสิ้นลงหมดสิ้นเชิงจริงๆนะฮะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งสมองทงั้งลายทำไมท่งมั่นประไทยแล้วก็ส่งปฏิญาณด้วยความมุ่งมั่นกระหางสงแสดงธรรมอันใดว่าเป็นธรรมที่ทำอันต ร, ราย เจนบายมุกเป็นอันตรายการกรรมกิเลสเป็นอันตรายเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายหลอกกิเลสทั้งหลายเป็นอันตรายเนี่ยมันก็คงเป็นอันตรายอยูง่งหมนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอืง่นแล้วธรรมะอันใดที่ทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์จริงๆนี่ก็ทําให้องอาจกล้าหารไม่ข้านคามขำเกรงในธํากลางบริษัททั้งหลาย คือกล้าปฏิญาณโดยไม่กลัวว่าใครจะคัดค้านถึงคัดค้านก็คัดค้านไม่สมําเร็จนี่ยนะคือคนคัดค้านก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันคัดค้านไม่ได้เพราะเป็นความจริงที่ทนต่อการพิสูจน์ตรวจสอบตระการต่อไปก็คือวิญซีวิญซีคือวิริยะตี่แปลว่าความกล้าหาญ กุ้เจ้าทรงประกอบด้วยวิริยนีศีมีความกล้าหาญไม่คั่นคลามต่อปัญหาอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะก้าวไปสู่ผลสำเร็จในการปฏิบัติเพื่อสัจรูจนทำความเพียรระดับที่เรียกว่าจาตุลมคำหาประธานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์ศีว่า แม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่หนังเงย็นกระดูกก็ตามห า, ากว่าไม่สามารถจะรู้ด้วยความเพียรพยายามของบุรุษก็จะไม่ลุกขึ้นจากอัชนะภายใต้ใ ต, ต้นมะซีม ah าโพธิ์้ลปัญหาเรื่องความเกียด้านไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สามารถแผ้วผ่านอะไรได้การต่อไปก็คือสตินซอินรีคือสติ ได้ แ, แก่ความระลึกได้ที่มีความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นทรงมีความสมบูรณ์เรียกว่าสติวิปุโรคือมีสติที่ไพยบณ์รู้เท่าทันถึงสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็าตามสติของพระองค์จะแหลมคมมากจะระลึกได้ทันทีทันใดในขณะนั้นนั้น การต่อไปก็คือเอสตินั้นจะทําหน้าที่กระจัดสติสัมโมาสาคือความหุงลืมเลอะเลือนของสติหรือแน่นอนสามัญชนทั่วไปก็สามารถโดยสิทธ ร, ร อ, อยู่คนบาตได้ตามกำลังความสามารถที่จะกระทําได้นะครโดยการพยายามไม่ให้เผลอเรืมไม่ให้หุงลืมไม่เลอะเลือนไม่ให้พลังพลาดมากเกินไป ประการต่อไปก็คือสมาธิสี่รี์คือสมาธิใน แ, แก่ความตั้งใจมั่นสามารถขจัดความฟุ้งซ่านสั้สายของจิตออกไปได้และปัญญสี่รี่คือปัญญาที่สามารถขจัดอวิชชาหรือโมหะออกไปจากจิตใจเมืม่อโมหะมันดับความโลภโกรธโงงก็ดับตามไป พราะว่ามันมาจากรากเงาคืออวิชชาค้อนี้พระพุทธเจ้าได้ส่งฝึกจนสมบูรณ์แล้วข้อต่อไปก็คือพื้นผู้ผ่องแพร่คำว่าผ่องแพร่นั้นก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้ามองใจทั้งหลายไม่ว่าจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามอาจจะเรียกชื่ออสวาอาจจะเรียกชื่อวัากิเลสอาจจะเรียกชื่อกตัณหาอุปาทานอะไรต่ออะไรก็ตาม พระไตรของบงผ่องแผ้วที่ไม่มีใครจะเทียบเคียงได้คือความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระปฏิจเกพรุทธเจ้าความเป็นประสมมาพระพุทธเจ้านีอาสวะนะ้ำหมดไปด้วยกันก็เรียกว่าเป็นขีณาศพด้วยกันแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นละทั้งกิเลสและวัสนาได้ซึ่งพระอรหันต์ละไม่ได้ เวกัความแตกต่างในคุณสมบัติพิเศษต่างๆเช่นพูกพุทธญาณอะไรต่ อ, อไรเนี่ยพระหานพระปฏิกรพุทธเจ้าท่านก็มีไม่ได้มีไม่ถึงนะฮะไม่จะมีไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่ามีไม่ถึงคือของพระพุทธเจ้าจะมีความสมบูรณ์มากกว่าด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศัจจุลุกแล้วก็ไกลจากกิเลส ก็หมายความว่าเมื่อกิเลสที่เป็นเชื้อมันไม่มีเนี่ยแม้จะมีเชื้อกิเลสมายวยโยยวนด้วยประการใดก็ตามกิเลสก็ไม่สามารถที่จะกลุ้มรุมพระทยของพระองค์ได้มันก็เหมือนกับมแมลงวันยอดไข่ในหินยอดไข่ในยอดไข่ในกระจกในไม้กระดานในอะไรเนี่ยนะ เราเห็นว่าไข่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นไข่ขางแล้วไม่มีโอกาสที่จะเป็นนอนเพราะอไรเพราะพวกนี้ไม่มีเชื้อหน้าพระทัยของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระหันโรปเจริญกับพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างนั้นอารมณ์ก็คงได้รับตามปกติตเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็ดน้อยร้อนแข็งสวยไม่สวยก็มีอยู่โดยธรรมดาของมันแต่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้กําหนดว่าสวยไม่สวย ยินดีนยินร้ายเนี่ยมันไม่มีแต่นั้นเองเหมือนกับ น, น้ำที่หยดลงบนใบใบบัวมันก็กลิ้งกลับเพราะความมันมาเมื่อมของใบบัวจิตใจของพระอาจร์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านจึงได้ชื่อว่าไกลจากกิเลสแล้วก็เสด็จมาสู่โลกนี้ สเสด็จอยู่สเสด็จจากไปจากโลกนี้เป็นเรียวกว่าเสด็จมาดีสเสด็จอยู่ดีสเสด็จไปดีพอมาเทียบกับท้าวสกัเทวราชซึ่งเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายซึ่มองเห็นเพราะว่าปลอมตัวเป็นมนุษย์หนุ่มนะฮะรูปร่างก็ส ง, ง่า ง, งามสวยงามท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพุทธดำเนินไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมมคุราชครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชทรงอังฆ่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมด้วยขาธิญญาปูชนียาหันอันประณีตโดยประหารของพระองค์จนให้พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ ทรงนำพระหัตออกจากบ่าธามพัดแล้วจึงประทับนั่งหนะ้าที่ควรส่วนครั้งหนึง่งถ้าเธอได้ทรงพระราช ด, ดำริว่าพระผู้มีพระพราภาคเก้าพึงประทับอยู่หน้าที่ไหนดีหนอซึ่งฐานที่ไม่ไกลไม่ใกล้าจากบ้านนักสะดวกด้วยการขมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าเฝ้าได้ รางวันไม่พุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดไม่มีเสียงคกอกล้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัดและควรมีทุติ่ที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณะวิสัยนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของอาคารสถานที่ที่เรียกว่าสร้างวัดวัดนั้นเป็นที่สงัดเงียบ ต้องไม่ไกลบ้านคนเกินไปแต่ต้องไม่ใกล้บ้านคนจะเกินไปกลางวันจะต้องไม่มีคนพุกพล่านกลางคืนจะต้องไม่มีเสียงรบกวนแล้วไม่มีปัญหาในด้านพูดง่ายว่ารูปเสียงกลิ่นรถนะนะรูปเสียงกลิ่นเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหามันก็เป็นอุปสรรค ต้องการต้องการอยู่อย่างสงบเยี่ยงสมณะทั้งหลายของพระทั้งหลายเนี่ยสถานที่แนวนี้ก็เป็นสถานที่แบบเดียวกับที่ผู้เจ้าทรงเลือกเมื่อตอนบำเพ็ญเพียรทางพระไถ่เราเลือกเอาอรูเวลาเสนานิคมเราทรงเห็นว่ารูเวลาเสนานิคมนั้นเป็นสถานที่ไม่ไกล ไม่กล้าจากบ้านสะดวกด้วยการไปมาควรที่ประชาชนผู้ประสงค์จะเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพร่านนะฮะคนไม่พุกพล่านกลางคืนไม่มีเสียงรบกวนและอยู่ใกล้กับแม่น้ำนิรันชาราด้วยเพราะวะนภาพวัดเห่าเนี้ทำาห้เรานึกถึงโครงนิราช น, นรินทร์ 3บทแรกกันนะก็จำได้แค่สามบทแรกปพราะมันรู้สึกไปรอะอย่างอื่นก็ยังไม่เคยอ่านไปตลอดนะก็ชอบอยู่สามบทแร ก, กนั้นเองก็ระรู้สึกว่ามันซึ้งดีโดยเฉพาะยิ่งข้อที่สองกับข้อที่สามเป็นการแสดงความสวยงามของวัดที่เรียกว่าอารามคือทำจิตใจให้รื่นรมฉันบอกไว้ว่าเรืองเรืองใจรัตรพ้นพันแสง รินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดาแสงเสียดจอดโยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์บทระเบียงมรดพื้นภัยอาหารธรรมาสาลาลานพระแผ้วหอวใจระคังขานภายค่ำไขประทีปพรมแก้วกัมฟ้าขืนจัดนี่เป็นภาพของอารามที่ เรียกว่าอารามในอุดมคติและตามปกติแล้วสมัยโบราณก็สร้างวัดกันในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าในการต่อมามันก็ถูกข้อมล้อมเบียดบังจากประชาชนที่รุกเข้าไปอยู่ใกล้เขตวัดมันก็เหมือนกับค่ายทหารนะที่จริงค่ายทหารนี่เขาสร้างไกลหมู่บ้านไกลประชาชนมากนะ แต่เราเทียบยุคสมัยแล้วนี่จะไกลมากๆเลยอย่างกองทัพอากาศเนี่ยไปอยู่ถึงดอนเมืองในี่ไกลลิบเลยหรือฐานบกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตดุสิตถึงสมัยโบราณก็ถือว่าไกลมากจากพระบรมราชวังไกลจากเขตกำแพงเมืองในี่ไกลมากแต่ว่าทุกวันก็ถูกค้อมล้อมกันหมดแล้วเมืองกัน ผลบรรยากาศที่พึงประสงค์จริงๆก็ไม่บรรลุวัตถัสงค์ตามที่ต้องการเพราะว่าประชาชนเขาก็บุกรุกเข้าไปเขาก็ไม่มีที่อยู่นะหยบางครั้งบางคราวก็มีการนิพพาทกั น, กนประชาชนต้องการจะอยู่แบบถูกๆนะฮะแล้วก็ไปหาประโยชน์จากที่ของวัด วัดก็ต้องการจะได้ประโยชน์วัดก็มีผู้จาัดการผลประโยชน์เนี่ยมันต้องการได้ประโยชน์เพื่อธนุบำรุงวัดตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคนะครเป็นการรักษาเจตนารมณ์ของผู้บริจาคมันเลยคิดกันคนละอย่างคือผู้บริจาคนั้นคิดด้วยพื้นฐานของบุญกุศลแต่ผู้ต้องการชาวราคาถูกๆนั้นคิดด้วยความเห็นแก่ตัว เลยก็กลายเป็นปัญหาหรือไม่น่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาแล้วเวนี้ที่จริงเป็นปัญหากันอยู่มากก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเหมือนกันนะทํายังไงว่าคนที่อยู่ใกล้วัดนั้นจิตใจจะสามารถวัดได้ซึ่งคุณธรรมความเสียสละความม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่าทัานเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของปัจจีกรชน พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงดำลิเสร็จนั้นแล้วก็มาคิดถึงพระเวรุวันสวดเวรุวันของพระองค์นั้นไม่ไกลไม่กล้จากบ้านนะักสะดวกโดยการคมนาคมคนที่ประชาชนผู้ต้องการประสงค์จะพึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่คือก้องปราศจากลมแต่ชนที่เข้าออกเป็นเรื่องแปลกนะฮะคือลมที่คนก็เดินกันเนี่ยฮะเดินกันไปเดินกันมาเนี่ยมันก็มีเสียงนะฮะมีเสียงปุบปับปุบปับปุบปับปุบปับไปเรื่อยๆทันทายคําว่าปราศจากลมแต่ชนที่เข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ที่ต้องการความสงัด และควรไปที่หลีกเล่นอยู่ตามจวมนาวิสัยคือพระเวรุวันเนี่ยมีลักษณะเป็นแปลงยาวนะด้านลึกเข้าไปเนี่ยแบ่งเป็นสองตอนนะตอนนอกเป็นเรียกว่ากัลลันดากะนิวาปสถานคือเป็นที่ให้อาหารแก่กระแตเป็นตมเนียมบรโบราณ น, นานมากนะครับ เราถึงพระชาโปรงหนึ่งเสด็จไปบรรทมอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วก็มีงูออกมาจะชกเ อ, อกพระาชากระแตก็ร้องส่งเสียงดังขึ้นพระชาก็ตื่นบนรโทมก็เห็นงูเลื่อยหนีเข้าไปในหลังก็ส้สึกขอบคุณงูอขอบคุณกระแตที่ได้ช่วยพระองค์เอาไว้ก็เลยก็ให้อาหาร ตั้งเวรให้อาหารแก่กระแตที่อยู่ในสถานที่นั้น ต, ต่อมาเขาบอกวันหนึ่งมันไม่มีเนื้อนะฮะคนที่ไปซื้อเนื้อก็เลยเอ า, เ, อาเงินนั้นนหะทำเป็นเหรียญผูกคอกระแตหรือ ก, กิ้งกานะฮะที่ก็พูดเรื่องกิ้งกาได้ทองนะฮะ ก็ได้ทองไปปลูกคอเข้ามาก็เกิดอาการยิงผยองที่เป็นที่มาของคำว่ากิ้งกะได้ทองเรื่องมาเกิดในสถานที่เนี้ยก็อด้านข้างลึกเหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะหมายความว่าด้านนอกลึกก็ไปถึงด้านในเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสีตะวันเกินเป็นที่ทิ้ง ซากศพเป็นปลาช้าผีดิบเวลามีคนตายพวกศาสนาปาตีหระอศาสนาโสโรวอัตเตอร์นะฮะเวลามีคนตายก็จะนำไปทิ้งไว้ในสถานที่นั้นเพราะนั้นก็เป็นเหตุให้เรานึกถึงผ้าบางสกุลของปราที่ไปชักมาจากซากศพกศพ็กศพก็ยังใหม่ๆนะฮะ ซักมาเฉพาะผืว้นนอกแล้วก็มาซักมาตัดมาเย็บมาย้อมเป็นจีบอนเริ่มต้นก็อยู่กันมาอย่างนั้นคือผ้าเหล่านี้เขาทิ้งแล้วนะฮะเจ้าของก็ไม่อะไรใจดีแล้วเก็ทิ้งแล้วแต่ถ้าเขาไม่ทิ้งไม่ไปหยิบไม่ได้นะฮะถือว่าเป็นอทินนาทานเหมือนกันแต่ว่าเ อ, อถ้าเราไม่เจตนาไม่ถือว่าเป็นอตินนาทานน ะ, ะเขาเรียกว่า รือโดยความเป็นผ้าบางสกุลแต่เมื่อมันไม่เป็นผ้าบางสกุลเราก็คืนเจ้าของเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นจึงทรงดำริว่าพิะนั้นเราพึงถวายสวนเวลุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกดังนี้ลำ ด, ดับนั้นจึงทรงจับพระสุวรรณพิงคานทรงหลังน้ําน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาค ด้วยพระ จ, จะรำลักว่าหมอ่อมฉันถวายสวนเวรุวันนั่นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระพุทธเจ้าค่ะนี่ก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ก็เปลี่ยนแปลงมาจนเป็นพิธีกรวดน้ํานะฮะแต่เราเห็นว่าเดิมทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่กรวดน้ําหรอกคือกรวดน้ําตามธรรมเนียมพราหมณเนี่ยเขาลงไปในแม่น้ำเลยแขาวักน้ําแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ํา อธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปูยญาตยายที่ตายไปแล้วก็ว่ากันไปก็แล้วแต่จอธิษฐานยังไงพระเจ้าพิมพิสานท่านเป็นพระโสดาบันนะท่านไม่มีศีลปฏิประมาทท่านไม่ซื่อมั่นโดยวัดในลักษณะอย่างนั้นผนก็ใช้สุวนพิงคารนะคือประเต้าทองเนะี่ยทรงหลังน้ำก็คงจะหลังลงที่ประหัตนะค เป็นนัยยะใกล้ยๆกับแทนแคนแผ่นดินซึ่งมันยกถวายไม่ได้เอตะไห้แทนแผ่นดินเราก็ปฏิบัติเลื่อนๆมาจนมากลายเป็นพิธีกรวดน้ําเราเรียนว่ากรวดน้ํานั้นก็มีภาชนะกรวดแล้วก็มีภาชนะที่จะรองรับแล้วก็เทน้ําลงบนตรงนั้นแล้วก็ให้คนเอาไปเทลงบนแผ่นดินในทีหลังเทลำโคนต้นไม้อะไรต่อะไรเนี่ย คืออย่าให้คนไปข้ามน้ำที่เททิง้งก็เป็นความฉลาดคมคายนะในการคิดในการทำของคนรุ่นโบราณเพราะว่าสําเร็จวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการแต่โดยไม่จําเป็นจะต้องกระโดดลงไปในแม่น้ําแบบพรามนะฮะพราหม์เขากระโดดลงไปในแม่น้ํายังนึกว่าเออถ้าแม่น้ํามันลึกเราจะทํายังไง แต่ว่าแม่น้ำในอินเดียเนี่แปลกะฮะเป็นแม่น้ำที่เ็าเรียกว่านะ้ำที่ทษคือกว้างแต่ตื้นนี่เยอะมากแม่น้าที่กว้างแต่ตื้นนี่เยอะมากจะแม่น้ำโซนี่ยาวมากออสปานที่ทอดข้ามในยาวเหยียดเลยรถอินเดียก็วิ่งช้านะฮะแลดูร่วมสิบนาทีแต่ว่ามองลงไปที่พื้นแล้วมันก็น้ำไม่มาก น้ำกจ็จะกระจายเป็นหย่อมเป็นหย่อมคล้ายกันมีรันธราวันมันก็เป็นไปได้ที่ว่าลงไปในแม่น้ำแล้วก็วักน้ําแล้วก็ปล่อยลงไปท่านบอกว่าหันหลังให้ให้น้ําไหลนะฮะหมายความว่าหันหลังทวนกระแสน้ําแต่ก็วักน้ําแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ําเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวทวัน พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วและทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชทรงเห็นแจ้งสมาทานอาฐานราชฤกษ์ด้วยธรรมีกาถาและเสด็จทุกจากที่ประทับเสด็จกลับต่อมาพระองค์ทรงทำธรรมีกาถาในพระเหตุเป็นข้าวหมูนั้นและรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอาราม เรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้รับอารามพระก็อยู่ตามป่าตามเขาโดยเห็นว่ากว่าจะมาถึงพระหนึ่งพันรูปชุดนี้ที่ได้รับอารามเนี่ยก่อน น, นั้นก็มีอยู่เก้าสิบรูปนะเที่ยวจะริกไปสั่งสอนประชาชนอยู่ในท้องถิ่นต่างๆท่ า, านก็อยู่ไปตามภาษาอย่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตพระอาราม อย่างไม่าะอารามนะฮะอารามแปลว่าสถานที่ที่ทำจิตใจให้รื่นรมบันเทิงใจมีคุณลักษณะดังที่กล่าวไว้แล้วต่อมาท่านก็ไปเล่าเรื่องชุดของพระที่ไปเผยแผ่พระศาสนาที่พู้เจ้าทรงส่งไปเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนามรุกายจวันนนละ ถ้าเหล่านั้นก็ย้อนกลับมานำคุณบุตรมาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าท่างฟังทางหลายแต่รมประพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบูรณนธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี